สำหรับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเล่าที่นำมาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งผมเห็นว่าน่าสนใจและมีเนื้อหาสนุกดีจึงนำมาปรับสำนวนและเล่าในแบบของหลอนก่อนนอนซึ่งผมจะขออนุญาตเล่าแทนตัวละครในเรื่องให้เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ผมได้พบเจอมาเพื่อให้เกิดความสมจริงและนึกภาพตามได้ง่ายขึ้นทั้งนี้คลิปนี้ถูกทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดตากครั้งนั้นผมต้องการเดินทางไปถ่ายรูปที่ภูเขาแห่งนี้อีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมเคยไปมาแล้วรอบหนึ่งแม้จะจำได้ดีว่าทางเดินขึ้นไปบนภูเขาแห่งนี้ค่อนข้างทุรกะกันดารและยากลำบากมากแต่ด้วยความที่ผมนั้นนิยมในเรื่องของการเที่ยวป่าขึ้นดอยแล้ววิวข้างบนนั้นก็สวยงามคุ้มค่ามาก ซึ่งครั้งก่อนที่ผมไปกับเพื่อนๆนั้นผมดันหลับเพลินจนลืมตื่นขึ้นมาเก็บภาพทะเลหมอกในตอนเช้าครั้งนี้ผมจึงเลือกที่จะกลับไปเเก็บภาพทะเลหมอกให้ได้จริงๆแล้วก่อนที่จะออกเดินทางผมเองก็ได้ทักเพื่อนๆไปว่ามีใครต้องการจะไปเที่ยวป่าครั้งนี้กับผมไหมแต่เนื่องจากครั้งนี้ผมออกเดินทางในวันธรรมดาเพื่อนๆนั้นลา ง, งานไม่ได้สักคน ซึ่งประกอบกับที่ผมนั้นวางในช่วงนี้พอดีหลังจากนั้นก็จะต้องลุยงานกันยาวก็เลยคิดว่าเดินทางคนเดียวก็คงไม่เหงาอะไรเพราะก็เคยทำแบบนี้มาบ้างแล้วเมื่อถึงวันที่ต้องออกเดินทางทริปนี้จึงมีผมเพียงแค่คนเดียวการโดยสารนั้นผมนั่งรถตู้เข้ากรุงเทพแล้วก็ต่อรถไปยามจังหวัดตากเพื่อเดินป่าผมถึงจังหวัดตากในช่วงเช้ามืด จากนั้นก็กำลังมองหารถเพื่อจะเหมาต่อไปที่อบตอซึ่งจะมีบริการให้เช่ารถสำหรับนักท่องเที่ยวและยังรวมไปถึงการติดต่อลูกหาบที่จะช่วยขนของในระหว่างที่เดินทางซึ่งก็คล้ายกับการเป็นเพื่อนร่วมทางใบไกลๆในระหว่างที่กำลังมองหารถอยู่นั้นก็มีพ่อค้าคนหนึ่งขับรถกระบะมาจอดเทียบแล้วก็ถามผมว่ากาลังจะไปไหน เขาอายุมากกว่าผมหลายปีผมจึงเรียกเขาว่าพี่และบอกเขาว่าผมกําลังจะไปอบตอเพื่อที่จะขึ้นดอยโดยความที่พี่คนนั้นกําลังจะผ่านไปทั้งนั้นพอดีแกจึงเสนอให้ผมติดรถของแกไปก็ได้ผมจึงกล่าวขอบคุณพี่เขาแล้วรีบกระโดดขึ้ น, นรถทันทีเราไปถึงตีนดอยช่วงเช้าตรู่และแวะทานอาหารร่วมกันก่อนที่พี่เขาจะแยกออกไปทําธุระตามเดิม ก่อนจะออกจากร้านอาหารผมก็สั่งข้าวกล่องเพื่อไว้ขึ้นไปกินระหว่างทางในช่วงเที่ยงเนื่องจากระยะทางที่ต้องเดินไปถึงจุดหมายนั้นเก็เกือบ10กิโลซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงเลยทีเดียวผมแวะซื้อของเล็กๆน้อยๆที่ร้านเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยและเช็คะเบียนก่อนออกเดินทางอีกครั้งจนมานึกขึ้นได้ว่าผมลืมห้อยเท้าเวสุวรรณมาด้วยซึ่งปกติแล้วผมมักจะพกติดตัวไว้เสมอ หนำซ้ำผมยังคุยเพลินกับพี่ที่ขับรถมาส่งจนลืมไปว่าจะต้องแวะที่อบตอเพื่อที่จะติดต่อหาลูกหาบนั่นเท่ากับว่าผมไม่มีคนช่วยขนของและช่วยนำทางไปบนยอดดอยนั้นทริปนี้ดูเหมือนจะติดขัดไปเสียทุกอย่างจริงๆผมเลยลองถามป้าเจ้าของร้านอาหารนี้ว่าแถวนี้ตอนนี้พอจะหาคนนำทางหรือลูกหาบที่ไหนได้บ้าง ป่าเจ้าของร้านนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าแถวนี้ตอนนี้คงจะยากเพราะเขาไปรอกันอยู่ที่อบตเสียหมดแกเลยถามผมว่าผมได้เคยมาที่นี่บ้างไหมผมจึงบอกแกไปว่าผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วป่าแกก็บอกว่าถ้าเคยมาแล้วก็น่าจะไปคนเดียวได้เพราะจริงๆก็แค่เดินขึ้นไปตามด่านที่เป็นรอยเท้านั่นแหละเดินไปเรื่อยๆไม่ลึกลับซับซ้อนอะไร ชมนกชมไม้ไปเพอแป๊บเดียวก็ถึงข้างบนแล้วผมฟังไปก็คิดตามที่ป้าแกพูดซึ่งมันก็จริงเพราะด่านที่ป้าแกว่าหมายถึงรอยทางรอยเท้าที่นักท่องเที่ยวและลูกหาบใช้เดินกันเป็นประจำมันปลอดภัยและง่ายที่สุดซึ่งก็ไม่น่าจะหลงได้แบบการเดินในป่าทึบผมช่างใจอยู่เหมือนกันเพราะทุกครั้งที่ท่องเที่ยวมักจะมีเพื่อนๆหรือแม้ครั้งไหนที่บอกว่าไปคนเดียวแต่ยังไงก็ต้องมีลูกหาบช่วยนําทางให้อุ่นใจเสมอ เอายังไงก็เอากันมาได้ถึงขนาดนี้นแล้วถ้าผมขึ้นไปถึงยอดดอยได้ยังไงก็ต้องเจอกับนักท่องเที่ยวคณะอื่นหรือลูกหาบคนอื่นๆบ้างขากลับก็ค่อยตามเขาลงมาแล้วกันสัก8ปโมงเช้าที่ร้านอาหารประตูสู่ยอดดอยแห่งนี้ผมจึงตัดสินใจออกเดินทางทันที เพื่อรักษาเวลาซึ่งถ้าเดินไปในเวลานี้ก็น่า จ, จะถึงข้างบนราวๆบ่ายสามบ่ายสเพราะถ้าช้ากว่านี้จะกลายเป็นมืดค่ำเอาทีนี้จะลำบากไปยิ่งกว่าเดิมแม้ในส่วนลึกของผมจะรู้สึกว่าไม่ค่อยพร้อมกับทริปนี้เนื่องจากการเดินทางคนเดียวข่าวของถุงนอนเต็นท์มอสนามต่างๆก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากไม่มีลูกหาบช่วยแบกของระหว่างทางที่เดินขึ้นเขานั้น ผมก็เดินบ้างหยุดพักบ้างถ่ายรูปไปตามคันลองแต่หน้าที่หลักๆก็คือก้มหน้าก้มตาเดินไปตามรอยทางเดินที่หญ้านั้นล้มเป็นแนวแสดงถึงสั ญ, ญลักษณ์ของผู้สัญจรที่ผ่านมาก่อนหน้านี้จนเมื่อผ่านไปสักสามสี่ชั่วโมงก็ถึงลำธาร น, น้ำแห่งหนึ่งซึ่งผมเลือกจุดนี้เป็นที่พักทานข้าวเพราะนี่ก็กำลังเที่ยงวันพอดีมีคนเคยบอกว่ายามเหนื่อยหรือกลางป่าอาหารจะอร่อยที่สุด ซึ่งก็จริงตามที่เขาว่ากระเพราหมูกรอบไข่ดาวของป้าร้านอาหารข้างล่างที่ผมซื้อไว้ตั้งแต่เชา้าแต่เมื่อกินตอนนี้กลับอร่อยมากขึ้นผมกินไปพรางแต่ในใจก็แอบคิดไปพลางว่าทาไมครั้งนี้ระหว่างที่เดินมาผมยังไม่เห็นนักท่องเที่ยวตามมาหรือเดินสวนกันมาเลยแตกต่างจากครั้งก่อนที่มีทั้งไทยและเทศไม่กัลูกหาบหรือชาวบ้านที่หาของป่าผ่านมาให้ได้ทักทายใายเหงากันอยู่เสมอ แม้ปกติผมจะอยู่คนเดียวจนชินแต่ครั้งนี้ในป่าแห่งนี้มันกลับวังเวงใจยังไงชอบกลหลังจากที่าร่างกายได้เติมข้าวเติมน้ำเสร็จผมก็กะว่าจะออกเดินทางต่อก็นั่งคิดคำนวณจากที่เคยผ่านมาเมื่อปีที่แล้วและการเดินของผมในครั้งนี้ก็น่าจะสักราวครึ่งทางแล้วทั้งนี้เมื่อเดินทางมาได้สักหนึ่งหรื อ, อกิโลไม่แน่ใจจู่ๆเมฆบนฟ้าก็มืดครึ้มราวกับกาลังจะมีพายุ จากที่สว่างอยู่ก็มือสลัวราวกับใกล้คำ่ำผมรีบก้มหน้าก้มตาจำเท้าเร่งไปให้ถึงจุดหมายด้วยความลนลานและตื่นตะหนกเมื่อเจอกับทางแยกในจุดที่ต้องเลือกผมดันลืมว่าจะต้องเลี้ยวไปทางไหนซึ่งถ้าเลี้ยวผิดอาจจะไม่เจอยอดดอยแต่จะเป็นการเดินไปต่ อ, อยังภูเขาลูกอื่นจนผมเริ่มนึกออกว่าเพื่อนเคยพูดไว้ตอนที่ใกล้ๆจะถึงยอดเขาจะมีทางแยกให้เลี้ยวซ้าย ผมจึงตัดสินใจที่จะเลี้ยวไปตามคำที่เพื่อนเคยบอกเพราะจำได้เราๆก็ยังดีกว่าจำอะไรไม่ได้เลยและเมื่อถึงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นผมก็ขึ้นไปถึงยอดดอยที่เป็นบริเวณจุดกลางเต็นท์จริงๆขณะที่ท้องฟ้าเบื้องบนนั้นแทบจะไม่เหลือแสงที่สามารถทะลุเมฆดำทมึนลงมาได้ที่น่าใจหายกว่านั้นก็คือ ข้างบนยอดดอยในเวลานี้กลับไม่มีนักท่องเที่ยวหรือลูกหาบสักคนเลยกลายเป็นผมคนเดียวที่อยู่บนภูเขาในนักขนาดนี้ผมตัดสินใจรีบกางเต็นท์เตรียมสเสบียงแล้วก็เริ่มตั้งหม้อน้ำต้มมาม่ากินยอดดอยที่สูงและเมฆหมอกในเวลานี้ทำให้ไม่สามารถมองลงไปเห็นตีนดอยได้หลังจากกินอาหารและจัดเตรียมทุกอย่างเสร็จบริเวณแห่งนั้นก็มืดสนิทในทันที ผมก่อกองไฟที่กลางลานเพื่อให้เป็นเพื่อนและอาศัยแสงสว่างในเวลานี้ผมนึกในใจว่าทำไมผมไม่เลือกดอยที่รถสามารถขึ้นไปได้ถ้าเป็นแบบนั้นนักท่องเที่ยวก็จะมากกว่านี้ไหนจะเรื่องที่เลือกมาเที่ยวในช่วงโลซีสั้นและที่ร้ายที่สุดเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะรู้ว่ากำลังมีพายุเข้านั่นจึงกลายเป็นเหตุผลที่ไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนโผล่มาเที่ยวแบบผมในเวลานี้ ผมนั่งสะบดกับตัวเองด้วยครู่หนึ่งจู่ๆก็มีคนเดินขึ้นมาที่จุดกลางเต็น์เป็นชายสองหญิงสองคณะนี้ดูเหมือนจะล้าหลังผมมาได้สักสองชั่วโมงเวลานั้นผมดีใจมากจึงร้องทักผู้มาเยือนด้วยความยินดีต้อนรับจนออกนอกหน้าซึ่งพวกเขากลับยิ้มให้ผมแต่เพียงพอดีเท่านั้น ดูเหมือนพวกเขายังเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางชายหญิงกลุ่มนี้ดูแล้วก็อายุ ก, ก็มากกว่าผมทุกคนผมจึงถามพวกเขาไปว่ามาจากไหนและแนะนำจุดที่จะกางเต็นท์รวมถึงห้องน้ำต่างๆให้พวกเขาผีผู้หญิงคนหนึ่งจึงตอบกลับมาว่าพวกเขามาจากกรุงเทพซึ่งเธอก็ยิ้มแย้มแมจ่มใสดีผีผู้หญิงอีกคนก็ถามว่าผมมาคนเดียวแบบนี้ไม่กลัวผีหรือยังไง ผมตอบแก้เขินไปว่าเรื่องผีนี่ก็กลัวอยู่เหมือนกันแต่กลัวหลงทางเสียมากกว่าพวกเขาเพียงแต่หัวเราะเบาๆในลำคอก่อนจะแยกย้ายไปจัดแจงเข้าของและกลางเต็นท์ผมช่วยพวกเขากางเต็นท์เพราะอยากสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก่อนจะแยกออกมาให้พวกเขาได้มีเวลาเป็นส่วนตัวบ้าง จนมื่อเริ่มหัวค่ําผมสังเกตว่าน้ําดื่มของผมมันหมดลงซึ่งทุกทีจะมีบริการน้ําดื่มบนนี้หรือไม่ก็ของเพื่อนๆที่สามารถขอหยิบยืมได้แม้ผมจะลำบากใจแต่ก็ตัดสินใจบากหน้าไปขอน้ําดื่มจากพวกพี่เขาเมื่อไปถึงและเอ่ยปากขอพี่ผู้ชายคนหนึ่งก็ยื่นน้ําให้ขวดหนึ่งโดยไม่ได้พูดอะไร ผมจึงหันหลังและกลับไปที่เต็นท์ของตัวเองเพราะกลัวว่าจะเป็นการรบกวนเวลาส่วนตัวของพวกเขาแต่พี่ผู้หญิงคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าน้องพรุ่งนี้รีบกลับหรือเปล่าถ้าเกิดไม่รีบก็ควรจะรีบนะก่อนที่พระอาทิตย์จะส่องแสงสว่างขึ้นเต็มดวงควรจะรีบกลับลงไปได้แล้วผมตอบรับและยิ้มให้กับผู้พูดโดยไม่ได้ติดใจอะไรคิดเพียงแต่ว่าพวกเขาอาจจะเตือนเพราะเรื่องพายุที่กำลังจะมาก็ได้ ผมจึงกลับไปนอนที่เต็นต์ตามเดิมเช็คข้าวของหน้าต่างเต็น์อะไรเรียบร้อยก็เริ่มง่วงเพราะเหนื่อยมาทั้งวันแต่แล้วอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเตือนผมในหัวว่าครั้งนี้ผมลืมห้อยเท้าเวสุวรรณมาดังนั้นผมจึงเริ่มสวดมนต์แผ่เมตตาขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนที่จะเข้านอนคืนนั้นผมนอนไม่หลับดีรู้สึกกระสับกระสายยังไงชอบกล ล้มาสะดุ้งตื่นเอากลางดึกเหมือนได้ยินเสียงคนเดินอยู่รอบๆเต็นต์สองชิดสองใจว่าจะเป็นพี่ๆที่เต็นต์ข้างๆหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะใช่อีกใจก็คิดไปถึงเรื่องที่เคยได้ยินมาเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับทำนองนี้ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คืออย่าออกไปจากเต็นต์ผมจึงได้แต่นอนฟังเสียงพูดคุยไปอยู่แบบนั้นซึ่งก็ฟังไม่รู้เรื่องมันจับใจความอะไรไม่ได้เลยจะว่าเบาก็ได้ยินจะว่าได้ยินแต่ก็ฟังไม่ได้ศัพ์ ทำใจอยู่นานจึงตัดสินใจสวดมนต์แผ่มเมตตาแล้วข่มตัวเองให้นอนลงไปคิดเสียว่าเดี๋ยวก็เช้าแล้วจนเมื่อนอนนอนอยู่ก็รู้สึกได้ถึงไรผมยาวๆที่เลื่อนเข้ามาแตะที่ปลายจมูกแล้วเลื่อนไปที่แก้มของผมอย่างช้าๆในใจตอนนั้นเต้นแรงจนแทบระเบิดครูเดียวก็มีความรู้สึกว่าเส้นผมนั้นลากจากแก้มอีกฝั่งไปยังอีกฝั่งในรอบที่สอง แล้วระหว่างที่ใจหายใจความอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงกระซิบอันแผ่วเบาดังมาจากข้างหูว่าขอบุญด้วยสิสำเนียงของผู้พูดในความมืดนั้นฟังดูเหมือนคนภาคเหนือผมขนลุกไปทั้งตัวนอนนิ่งไม่กล้าขยับคิดในใจว่าโดนเข้าแล้วแน่ๆจึงได้แต่พยายามรวบรวมสติและสวดมนต์แผ่เมตตา อ, อุทิศให้แก่เจ้าที่เจ้าทางและสภเวศีในบริเวณนี้ ทุกอย่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าแต่ก็เงียบราวกับไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วผมตัดสินใจลืมตาขึ้นในที่สุดเพื่อสำรวจรอบๆภายในเต็นท์แล้วผมก็เห็นเงาตะคุ่มของใครคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นผู้ชายนั่งกอดเข่าคุดคูจ้องมองผมจากปลายเทา้าแสงจากตะเกียงที่ผมแขวนไว้ด้านนอกส่องเข้ามาลางๆทาให้เห็นเขาเป็นเงาสีดาเพราะย้อนแสงเหมือนว่าเขาสังเกตเห็นว่าผมตื่นขึ้น เขาจึงพูดขึ้นมเบาๆว่าขอบคุณจัดนักแม้สำเนียงและคำพูดของเขาพยายามสื่อถึงการขอบคุณแต่เวลานั้นผมจิตใจแทบจะหลุดลอยไปในความเสียขวัญผมรีบหลับตาลงแล้วก็นึกถึงเท้าเวสุวรรณร้องขอให้ท่านช่วยนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ก็รู้ว่านานจนผมเผลอหลับไปในที่สุดรุ่งเช้าผมรีบออกมาจากเต็นท์ทันทีที่เห็นแสงอ่อนๆของพระอาทิตย์ เสียงนกตอนเช้าร้องขึ้นอากาศโดยรอบหนาวเย็นแต่ก็ไม่น่ากลัวแบบเมื่อคืนแล้วมองไปที่เต็นท์ของคณะเดินทางจากกรุงเทพก็มองไม่เห็นใครทั้งเต็นท์ทั้งเจ้าของเหมือนว่าพวกเขาออกเดินทางไปแต่เช้าตรู่หรือบางทีพวกเขาอาจจะเจอเรื่องแบบที่ผมเจอเมื่อคืนก็ได้ผมรีบไปที่จุดชมวิวและถ่ายรูปทะเลเหมอกให้สมใจอยากซึ่งบริเวณ น, นั้นวันนั้น ก็เหมือนเป็นของผมเพียงคนเดียวเพราะไม่มีใครอยู่เลยแต่ก็ได้ภาพที่สวยงามมากมันคุ้มค่ากับการบากบั่นมาทั้งวันทั้งคืนจริงๆจนทำให้ผมลืมเรื่องเมื่อคืนไปจนหมดหลังจากชื่นชมความงามของธรรมชาติอยู่พักใหญ่ผมก็ไปต้มกาแฟและกินอาหารเช้าจัดแจงข้าวของเตรียมที่จะเดินทางลงดอยระหว่างนั้นคาพูดของพี่คนเมื่อคืนก็แวบเข้ามาในหัวของผม กับคำเตือนที่ว่าจะจะลงก็ให้รีบลงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงซึ่งตอนนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นเต็มดวงแล้วแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะท้องฟ้าวันนี้ก็ดูไม่วิปริษเหมือนเมื่อวานเพียงแต่อากาศหนาวจัดเท่านั้นผมจึงถ่ายรูปต่อไปพลางกินกาแฟเสพความงามของธรรมชาติกะว่าสายๆจะค่อยเดินทางจนในที่สุด เมื่อผมจัด ก, การทุกอย่างเรียบร้อยเก็บเต็นท์และเก็บข้าวของเสร็จก็เริ่มเดินลงจากลานกลางเต็นท์เดินไปได้เพียงครูเดียวปรากฏว่าทางแต่ละทางกลับดูไม่คุ้นตาหนํำซ้ำยังหารอยเท้าที่มีคนเดินไว้ไม่เจอมันเหมือนกำลังอยู่กลางป่าแท้ๆท้องฟ้าที่ควรจะสว่างกลับมืดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกาลังจะมีพายุ ทางที่ควรจะโล่งๆมีทางไปในเวลานี้กลับมีแต่ป่าผมคิดในใจว่าต้องเดินลงผิดทางแล้วแน่ๆจึงพยายามจะกลับไปแต่ก็หาทางเก่าไม่เจอพอฝืนใจเดินต่อไปก็เหมือนว่ายิ่งหลงทีนี้ผมเริ่มกลัวแล้วจึงยกมือไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเกลงว่าจะไปทำอะไรผิดเข้าโดยที่ผมไม่รู้ตัวหรือเปล่า จึงอธิษฐานไปว่าหากลูกช้างกระทำอะไรผิดไปก็ขอได้โปรโดอภัยและเปิดทางให้กับลูกช้างด้วยจากนั้นก็เริ่มตั้งสติและเดินกลับไปที่ลานกลางเต็นท์ซึ่งน่าอัศจรรย์ที่ไหนที่สุดผมก็ได้เจอกับลานกลางเต็นท์จริงผมนั่งคิดทบทวนคิดแผนเดินทางว่าจะเอายังไงต่อไปนั่งอยู่ได้ครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงร้องทักดังขึ้นมาจากด้านหลังว่าไอ้นุม่มมาทาอะไรที่นี่แลมาได้ยังไงกัน ผมรีบหันหลังกลับไปมองที่ต้นเสียงเห็นลุงคนหนึ่งลักษณะเหมือนชาวบ้านที่หาของป่าผมดีใจมากรีบบอกกับลุงแปลกหน้าว่าผมกำลังหลงทางและพยายามหาทางที่จะลงไปจากยอดเขานี้ลุงฟังแล้วก็หัวเราะเหมือนเป็นเรื่องตลกที่แกน่าจะเคยเจอมาบ่อยๆตามมาด้วยภาษาของคนภาคเหนือที่ผมเองก็ไม่ได้เข้าใจนะักแต่ก็พอจับใจความได้ว่าแกให้เดินตามแกไปแล้เหมือนว่าแกจะไปส่งเอง ผมเดินตามลุงไปอย่างว่าง่ายเกือบสักครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ลุงแกก็พาผมมาถึงบริเวณทางแยกที่ก่อนจะขึ้นเขาจุดนี้เองที่เพื่อนผมเคยบอกให้เลี้ยวซ้ายลุงแกพยายามพูดภาษากลางผสมกับภาษาของภาคเหนือซึ่งผมพอจะจับใจความได้ว่าส่งถึงแค่นี้นะมีทางเดินที่เห็นแล้วเดี๋ยวลุงไปก่อนสายมากแล้วลุงขอเข้ามาจากนั้นแกก็จะเดินกลับไปยังทางที่เราเดินผ่านมาเมื่อครู่ ผมกล่าวขอบคุณลุงที่ช่วยเดินมาส่งผมแกจึงตอบกลับมาว่าลุงต่างหากที่ต้องขอบคุณขอบคุณจัดนะก่อนที่แกจะบอกให้ผมรีบเดินลงไปเถอะระหว่างที่ผมหันหลังเดินกลับลงมาในใจก็คิดถึงคำพูดน้ำเสียงและวิธีการพูดของลุง มันช่างเหมือนกับคนที่มานั่งกอดเข่าในเต็นท์ของผมเมื่อคืนมากผมขนลุกไปทั้งตัวก่อนจะทําได้เพียงรีบก้มหน้าก้มตาเดินลงจากเขาไปให้ถึงร้านอาหารของป้าอีกครั้งโดยครั้งนี้ผมไม่ได้แวะพักที่ไหนเลยซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เจอมาจากทริปนั้นจบลงแล้วนะครับกับเรื่องเล่าในป่าเรื่องนี้หวังว่าจะสร้างความบันเทิงและความสนุกให้กับทุกท่านได้บ้าง ยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกความรู้สึกกันหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ